หาเป็นเพื่อนเพราเราเห็นลูกเห็นก็ใช่ไหมเราเนี่ยให้ตัณหาเป็นเพื่อนตลอดเช่นอยากได้อยากใหญ่ใจแคบอันนี้มันมันจะมีกลุ่มตัณหาทางนั้นใช่ไหมอยากได้ก็ทยานอยากอยากเป็นใช่ไหมก็คืออยากได้ก็คืออยากให้มันมั่นคงแล้วก็อยากพ้นถามว่าพ้นจากไอ้สามตัวนี้ไหม วันวันหนึ่งอยากได้อยากทยานทยานอยากอยากจะได้สิ่งตอบสนองบนวนบเนเลยให้มันยิ่งยงขึ้นไปแล้วก็อยากให้มันมั่นคงถามว่าอยากให้ธุรกิจมั่นคงไหมล่ะต้องการใช่ไหมเออเนี่ยในความอยากแบบนี้และถ้ามันไม่มั่นคงเป็นทุกข์ไหมเออเนี่ย ก็ตรงนี้แหละที่จะพูดให้ฟังอันนี้คือตัณหามันเดินจิตด้วยตัณหามันเป็นแบบนี้แล้วมันจะสังเกตได้ถ้ามันอยากแล้วมันไม่เป็นอย่างอยากมันจะเครียดใช่เพราะเราไยึดกันแต่ผมก็พยายามแยกออกไม่นี่เข้าใจก่อนว่านี่คือตัณหาก่อนให้ต้องเข้าใจก่อนเนี่ยคือการเดินจิตด้วยตัณหาอยากได้อยากให้มันมั่นคงพอไม่เป็นไปอย่างอยากทุกข์ไหม เออเนี่ยเตรงนี้นะเพราะไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันอยากสมหวังมันอยากให้มันสมปรารถนามันอยากได้ความสุขมันอยากได้ความอยากได้ความสมปรารถนาอยากได้ความสุขนั้นนั้นถ้ามันไม่ได้อย่างที่อยากโอ้โหมันเครียดมันก็อยากให้มันพ้นเลยแต่เนี้ยอยากให้อะไรพ้นอยากให้สภาพที่มันไม่สมปรารถนามันพ้นไปอยากให้มันอันตราธานไปอยากให้สิ่งดีๆมันกลับเข้ามา เนี่ยตรงนี้อ่ะเขาเรียกว่าเดินจิตด้วยตัณหามีตัณหาประกอบอยู่มีตัณหาเป็นเพื่อนถ้าคืนเดินอยู่อย่างนี้มันไม่โปร่งไม่ร่งไม่เบาหรอกเพราะมันมีตัณหาคอยกุ้มรุมจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นไหมล่ะอยากสวยอยากให้ความสวยมันถาวรมันมั่นคงอยากฉลาดอยากให้ความฉลาดมันถาวรแล้วมันมั่นคงอยากให้คนยอมรับนับถืออยากให้คนเชื่อเรา แล้วอยากให้คนนั้นน่ดีกับเราตลอดไปไม่อยากเขาเปลี่ยนแปลงอยากให้ลูกน้องเชื่อฟังเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ใจเราอยากให้ความต้องการของเราความคิดของเรามันสมปรารถนาไอ้ความอยากอย่างนี้ถ้ามันทุกข์มันเครียดมันกุ้มเนี่ยในความอยากนี่มันเป็นปัญหาอยากแต่ถ้ามันอยากจะทำให้มันดีเพราะเห็นภาวะที่มันดีและมันมีความสุขกับการได้ทา มันต้องการอยากจะสร้างเหตุดีมันเห็นผลที่ดีอันเลิศนั้นแม้เจอทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวเจอปัญหาก็ไม่ท้อแท้เกิดความแกล้งกล้าอาถารพ์รู้สึกสนุกตื่นเต้นกับการได้ฟันฝ่าอย่างนั้นรู้สึกชื่นใจได้แก้ปัญหาได้เข้าไปกระทําได้เข้าไปเจาะได้ทะลุทะลวงแบบนี้รู้สึกมันรู้สึกได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถของเราเต็มที่เต็มความสามารถไอ้อยากในลักษณะนี้เขาเรียกกุศลแลฉันทะ นี่กลุ่มศรัทธามันจะเป็นแบบนี้มันกับการชอบในการที่จะจะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นๆมันรู้ว่าถ้ามันรู้ปัญหานั้นได้รอดพ้ปลอดจากปัญหาหรือสามารถผ่าพันอุปสรรคปัญหานั้นได้เนี่ยมันจะเข้าถึงภาวะที่เลิศเข้าว่าภาวะที่ประเสริฐภาวะที่โปร่งโล่งเบาได้จริงเพราะมันคิดอย่างนี้มาโอ้โหมีชันท้าใหญ่อันนี้ไม่ใช่ตัณหาอย่าลืมว่าตัณหามันกลัวทุกไม่ชอบทุก ตั้นหามไม่ชอบปัญหาแต่มันชอบสุกมันชอบความสบายมันอยากสบายมันอยากสุกมันอยากให้ใครบนลวงบำเลอเราอยากให้คนเอาใจเรามันมันชอบแบบนี้แต่ตั้นหามันไม่อยากทำแต่มันอยากเสวยผลได้รับผลที่ดีที่เลิศตั้นหามันไม่สุกจากการทำเนะมันสุกจากการได้เสวยผลมันอยากจะทำในน้อยอยากได้เสวยผลมากๆ มันขี้เกียจว่างันเตือนตันหาเนี่ยพอเจอปัญหาเจออุปสรรคพวกมันหนีเลยนะมันไม่เอาเช่นชอบความสําเร็จแต่ต้องฝ่าความทุกข์มันไม่เอาตันหาไม่ชอบทุกข์ตันหาชอบเอาสุขมาบ่มเลอตัวเองมาบ่มเลอบ่รุงบ่มเลอตนเองตันหามันทยานอยากมันร่านร่นแบบนี้ มันเสือ์กระสนมันอยากจะได้มันอยากจะได้สุขอยากจะได้สมปรารถนาอยากจะได้ความสมหวังมันล่านลนไปหมดเลยเนะตัณหาเป็นลักษณะแบบนี้เราเคยเป็นไหมล่ะเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกมีตัณหาเป็นเพื่อนทีนี้การมีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยเราจะไปถูกสอนว่าให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคุณท่องแทบตายก็ไม่ได้มันได้ชั่วครู่แค่นั้นเอง มันได้มาจาเออเอย่าไปปล่อยวางเออเอย่าปอยวางแต่จริงอ่ะเครียดจริงๆอ่ะก้มจริงๆน่ะทุกมันไม่ใช่ไปท่องนะวิธีการจริงๆเนะี่ยมันต้องใช้ปัญญาเข้าไปรู้องค์ประกอบ ม, มันจริงๆว่าเออเราเดินจิตด้วยตัณหาจริงๆรเว้ยมันต้องไปเข้าใจก่อนนะว่าเนี่ยเราเดินจิตด้วยความทยานอยากด้วยตัณหาด้วยสภาพที่ต้องการสุขเวทนาเช่นทําไมเราต้องทํางานเนะี่ยใช่ไหม เพราะเราต้องการเงินต้องการบ้านต้องการทรัพย์ต้องการฐานะภาพต้องการอะไรเราต้องการตัวนี้เออว่าตันหามันจะทํางานแต่ต้องการสิ่งเสพต้องการบำบลบำเลอตั้นหามันต้องการตัวนี้ก่อนต้องเข้าใจก่อนที่ฉันต้องทําเนี่ยเพราะว่าทําไปแล้วรู้สึกว่ามันอัตตาตัวตนมันมันใหญ่ขึ้นมันได้เสพมันได้มันมันได้เป็สวยผลตัวเนี้ยมันชอบมันชอบสุขเวทนามันชอบมันคือ สังเกตุโดยทีเวลาเราจะมันมันทำแบบมีเงื่อนไขทําแบบเครียดทําแบบก้มทําแบบทุกข์ไม่ทําก็ไม่ได้ไม่ทํามันไม่รู้จะอยู่ยังไงชีวิตเนี่ยเพราะมันต้องมีเงินมันต้องมีทรัพย์มันต้องมีหน้าตาในสังคมมันต้องมีเสียงสรรเสริญเยินยอถ้าเราไม่ทํามันจะไม่ได้ฐานะนั้นแต่มันทําแบบฝืนเนี่ย เข้าใจคำว่าฝืนมทำเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อไปงั้นแหละมันไม่อยากทำแต่มันอยากได้ผลนี่ตัณหาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ากูโสและฉันท้าเนี่ยมันพอปุ๊บมันอยากจะทำแล้วมันอยากจะทำให้ดีเพราะมันเข้าถึงมันมันรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีและในขณะที่ทำมันมีความสุขพอเจอปัญหามันไม่ท้อ ไอ่ฉันท้ามันไม่กลัวปัญหาเพราะเกิดฉันท้าแล้วเกิดแก้วกล้าอาหารอย่างงี้มันจะไปอย่างนี้เลยนะมันบากบั่นก้าวไปใจสู้เพราะฉันท้าเกิดมานมันผลักผลักความแก้วกล้ามาเลยเจอปัญหาอ้ดีได้ศึกษาเจอปัญหาดีได้เรียนรู้ได้ฝึกได้พัฒนาอย่างนี้แหละเหมาะแล้วเราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้พัฒนาตนเองแล้วเราจะได้เข้าถึงภาวะที่เลิศที่ประเสริฐภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งได้จริงโอ้มันมั น, ม, นมันกลับกลายเป็น คนละมุมมองกันตันหาเลยมองเห็นไหมี่เกิดจิตเครับใช่สภาพจิตุนนะครก็อาให้จิตเราเป็นุไงคือประเด็นตรงนี้มันต้องบอกว่าถ้าเรารู้ว่าอ๋อตันหามันเป็นแบบนี้นะฉันท้ศสรัทธาเป็นต้นมันเป็นอย่างนี้นะเอาพอแยกออกแล้วเอาละเราจะไม่ใช้บริการตันหาแล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นถ่านั่งกรรมฐานได้ตันหาได้ความอยาก การนั่งกรรมฐานด้วยกุศลและฉันทะคนละอย่างท่านนั่งได้ตัณหามันนั่งไงรู้ไหมท่านนั่งแล้วมันต้องการสุขเวทนาถ้าไม่ได้สุขเวทนามันมันไม่เอามันไม่อยากนั่งเหไมมันไม่อยากนั่งที่นั่งมันต้องการไอสุขเท่านั้นแหละแต่พอนั่งมามันเครียดพอเลยไม่เอาเลยไม่ฝืนแล้วแค้นลำบากอึดอัดโอสสมาธิแตกส้าเลยตอนเนี้ยแต่ถ้าฉันท่าบอกว่า มันเข้าใจว่าทำไมเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งเราต้องมีชันทะเราต้องมีความกล้กลาหาญเราต้องมีภาวะจิตที่แข็งแรงและมัน่นคงเราต้องมีปัญญาเข้ามาสอบสวนฉะนั้นเราต้องมีใจรักเพราะการฝึกตนเองแบบนี้ในการดูลมหายใจเข้าออกเป็นการฝึกขั้นละเอียดฉะนั้นจึงต้องพางจึงจงต้องใช้ภาวะที่สติที่มีกาลัง เมื่อสติมีกำลังจับอารมณ์อย่างติดต่อและต่อเนื่องจะได้เกิดภาวะที่สมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะได้เกิดความกล้ากล้าอดทานแล้วไม่กลัวไม่กลัวต่เวลามันจะแวบไปทางอื่นก็ไม่เป็นไรมีฉันมีใจรักในการที่จะกลับมาจดจ่อใหม่มันไปทางอื่นเพรามมีใจรักในการที่จะกระตุ้นให้สติก็ามาจดจ่อใหม่มันจะฟุ้งซ่านไปตรงนั้นมันจะปวดตรงนั้นไม่เป็นไร อย่างนี้แหละดีเราจะได้ฝึกตนเองได้ได้เรียนรู้ในการที่จะดูรู้เข้ารู้ออกมันมันรู้สึกไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคในการฝึกเลยมันรู้สึกจะตื่นเต้นกับมันที่ได้ได้ฝึกตนเองได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้ได้เข้าใจกระบวนการที่จิตมันสัดใส่ฟุ่งซ่านไปยิ่งดีใจมันยิ่งรักว่าเอาละเราได้ได้ได้ฝึกตนเองเต็มที่เราได้รู้จักจิตเต็มที่แล้วแต่ก่อนไม่เคยรู้จักจิตเลยเพอจะมาเอามาผูกกับจิตมันดิ้นไปหาสีเสียงกลิ่นรสมันฟุ่งซ่านไปทั่วเออรู้สึกมันตื่นเต้นขึ้นมาเลยเข้าใจใช่ไหมเอาละมันได้มีโอกาสฝึกตัวเองมันมึงไปถึงนั้นไม่เป็นไรจะไม่โกรธไม่เครียดด้วยนะมีใจรักรู้สึกยิ้มกับมันเลย แปบไปนูน้นเอามาแล้วนี่นี่นได้ฝึกมันกระโดดกิ้งๆิงงท ง, งไปทั้งนูน้นอจับมาใหม่มันดอดไปซ้ายไปขวาจับมาใหม่ไม่เป็นร้ายเรามีโอกาสฝึกเนี่ยมันมีรู้สึกใจมันรักมันก็ภาคเพียรทำจิตจอดจ อ, จ อ, จอใช่ไหมปัญญาก็สอบสวนหาเหตุปัจจัยเรื่อย เออมั น, ม, นมันทำได้แล้วทําอย่างติดต่อไม่กลัวชั่วโมงผ่านไปมันดิ้นไปดิ้นมาไม่เป็นไรวันนี้แมฟัดกันหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมีเวลาต่อใหม่ต่อใหม่ม่ใจไม่ท้อมีใจรักไงมองเห็นไหมถ้าฉันทามันไม่กลัวต่วทุกขเวทนามันไม่ต้องกลัวมันมันไม่กลัวต่อปัญหาอุปสรรคใดๆเลยนะยิ่งดี ยิ่งมีปัญหายิ่งมีความรู้สหัวมันปวดมันเมื่อยตรงนั้นเออดีมีวิธีอ่านนี่นั่งยังไงมันคลายตัววะเออมันมันจะเริ่มเริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเรียนรู้อ๋อพราะเรานั่งเก่งเนี่อ๋อนี่เก่งเก่งไอ้ต่อไปต้องผ ift, ่อนคลายอ๋อผ่อนคลายเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โอ้เรานั่งเอ็นไปนั่งตรงไปนั่งเก่งตอนนั้นตอนนี้อ่าเริ่มเริ่มปรับตัวเองอย่างนี้เลยมันฝึกตัวเองโดยไม่โดยไม่กลัวเลยแต่ถ้าตั้นหา เฮ้ยไม่ได้สุขเว้ยไม่เอาไม่เอาเพราะมันต้องการสุขเวทนามันต้องการมันต้องการในบำลงบำเลอตนเองจะลําบากนี่นั่งนี้ลําบากมั่งเนี่ยเกิดไตทํางานหนักตับทํางานหนักปอดทํางานหนักอุแย่เนี่ยเฮ้ยไม่ดีเดี๋ยวโอกาสหน้าไปทำใหม่วันนี้วัดได้ไม่สงบเราอยากได้ความสงบแต่ไม่อยากทําำผีอยากได้ผลที่เลิ่จากไม่ได้ไม่อยากประกอบเหตุตัณหาเป็นแบบนี้เข้าใจไหมล่ะเคยเป็นไหมเคยเดินจิตด้วยตัณหาแบบนี้ไหมล่ะ เออนี่แหละเข้าใจไหมยอมมังุลเข้าใจว่าเงบตัหาหรือว่าบฉันทาเออน่แหละจริงๆคนอะไรคนเป็นแต่ฉันาแต่พอทำจริงๆเป็นตันหาทุกทีเลยรู้หมดแต่พอไปทำจริงๆตันหามาโอ้โหเอาใหญ่เลยเดือดพุกผ่านแล้วเ <c oughs> นี่ยเพราะเรามี ตั้นหาเป็นเพื่อนเขาจะยังยนี่เป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจองค์ประกอบอะไรทั้งหมดเลยนะมันจะรู้สึกว่าจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จิตมันจะลงตัวแล้วมันปรับไปตามสภาพนั้นๆได้มันจะได้สมถตาได้ดุนยภาพได้มัชฌิมาปฏิปทาได้ความสมดุล นี่เป็นอย่างนี้ถ้ามันเข้าใจเนี่ยมันจะพิกไปมุมนี้ทันทีเลยบางคนบอกว่าอา้าวค่อยเป็นค่อยไปมันคนละเรื่องนะถ้ามันเข้าใจถูกเนี่ยมันจะมันเหมือนเนี่ยเฮ้ยค่อยเป็นค่อยไปตอนนั้นปุ๊บมันพิกได้ทัิงจริงเขาบอกพิกฝ่ามือเนี่ยมันก็พิกได้จริงๆริงนะ ไม่ใชเออ่เรายังพิกไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่มันมีความกังหงายแค่นี้แหละกุศลอะกุศลใช่ไหมถ้ามันทำได้มันทำทันทีเลยกุศลเนี่ยที่มันยังบอกว่าเออมันมันไม่เข้าใจอะ่ะใช่ไหมเหมือนกรณีเห็นการพนเนาพันนอ ก, กับความทุกข์พนเาพันนอ ก, กับความโศกอ่ะพนเาพนอ คือมองหน้าไอ้เจ้านี้ทีไรคิดถึงไอ้คนนี้ทีไรรู้สึกมันทําเรามันทําให้เราต้องทุกข์เราไม่อยากเจอหน้าคนนี้เราไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับคนนี้ไปเกี่ยวข้องคนนี้ทีไรรู้สึกมันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายพวกเนี้ยมันทุกข์อย่าว่าจะไปเจอหน้าคิดถึงมันก็ทุกข์มันไม่ดีกับเรากันาดโอ้โหมันพละนาวเต็มมาหมดเลยเนะยแล้วเราก็อย่าอยู่กับจิตแบบเนี้ย แล้วเราก็ไปโทษว่าเพราะไอ้บ้านี่แหละไอ้ไอ้นี้แหละมันทําให้เราเสียหายแต่จริงๆคือเราเนี่แหละไอ้จิตของเราเนี่ยมันตั้งไว้ผิดใช่ไหมจิตของเรามันตั้งไว้ผิดเพราะอะไรเขาเป็นของเขาอย่างไรมันก็เป็นของเขาแต่เราละ่ะควรจะตั้งจิตอย่างไรกับเขาต่างหาก ทำไมเราเราไปจมอยู่กับความคิดที่เป็นทุกข์แบบนี้ที่เป็นทิฏฐิแบบนี้ที่เป็นความเห็นผิดแบบนี้ทำไมเราพันเน้าพันองมันความเห็นแบบนี้เช่นคนคนนี้ด่าเราคนคนนี้ว่าเราคนคนนี้ไม่ดีกับเราคนคนนี้ใช้ไม่ได้คิดทีไรเราก็ร้องไห้เป็นเราก็กรุมเป็นทุกข์และเราก็กอดความเห็นของเราอยู่นั่นแหละไม่ยอมสลัดความเห็นแบบนี้ทิ้ง ถ้าใครถ้าเราไปบอกแบบนี้กับใครนะไปบอกคนนั้นมันไม่ดีคนนั้นมันว่าฉันคนนั้นมันไม่ดีกับฉันถ้าใครบอกเออนะอย่าไปคบมันนะคนไม่ดีดีแล้วเนาะหนูเป็นคนดีนะเออเอันนี้โอเคมันรับรองถ้าใครบอกเองนี่ละชั่วโอ้โหนี่สะเทือนเลยนะเนนียเองเนี่ยชั่วมึงไปถือความเห็นนี้ทําไมสมาทานไว้ทําไมไม่มีทิ้งซะความรู้สึกแบบนี้ แต่ความรู้สึกที่ไม่ดีทิ้งไว้สลัดทิ้งไปต้องเป็นคนสลัดทิ้งได้ง่ายวางความเข็นแบบนี้เสียมาตั้งความเห็นให้ถูกใหม่เพราะงั้นเธอเราจะไม่ทำบาปเราจะไม่ยึดถือความเห็นเราจะไม่มองมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความทุกข์เราจะมองมนุษย์ทั้งหลายตามที่เขาเป็นอา้าวก็เขาทำไม่ดีเขาทำไม่ดีก็เรื่องของเขาทาไมใจเราต้องเป็นทุกข์ เขาด่าเราอะด่าตรงไหนอะเขาด่าอะไรเราใช่ไหมไอ้เสียงด่ามันดับไปแล้วไอ้ที่เขาทำไม่ดีมันก็หมดไปแล้วแล้วเราจะไปยึดไอ้ความเห็นเหล่านั้นเนี่ยยึดอะไรมาแล้วมันมีอยู่จริงที่ไหนแล้วมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วความโกรธมันก็หมดไปแล้วทุจริตมันก็หมดไปแล้วแต่เรามายึดถือไว้แล้วเรามาโกรธเนี่ยตอนเนี้ยเราต่างหากที่ทุจริตเราตังหากที่คิดผิด ทำไมไม่มองโลกและชีวิตตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงมองเห็นไหมแล้วอา้าวถ้าอย่างนั้นเราควรเฉยๆกับเขาใช่ไหมบอกขนาดนี้ยังจะไปเฉยๆเขาอีกก็ใช้ปัญญาไงไปมองเห็นความจริงของเขาที่เขาเป็นแล้วก็วางท่าทีทางใจเราจะไม่โกรธคนนี้เราจะไม่เกลียดคนนี้เราจะไม่คิดประทุษร้ายคนนี้เราจะปฏิบัติต่อคนนี้เราจะเข้าใจมันควรปฏิบัติอย่างไรใช้ปัญญาไปจัดการในการปฏิบัติในขณะที่ไปเจอหรือการคิดถึง มองเห็นไว้แล้วแต่ไม่ใช่ไปกอดความเห็นว่าหนึ่งเป็นทุกข์ร้องไห้หมุนปรุงแต่งไอ้คนนี้หลอกเราทําไม่ดีกับเราเคยเคยโกหกเรา <c ười> <c ười> เห็นไหมล่ะนี่ความเห็นตัวนี้ล่ะฮะที่เราไปกอดรัดฟัดเบี่ยงมันแล้วก็มาพนาบนอว่าฉันเป็นคนดี จริงดีไหมเนี่ยคนอย่างนี้คือคนดีใช่ไหมคนที่กอดความเห็นไว้ไม่ยอมสลัดความเห็นที่ผิดแล้วสลัดก็ยากใครไปบอกว่าปล่อยให้ปล่อยแล้วโกรธเลยนะถ้าใครรับรองความเห็นแล้ว เ, เออจริงเนาะไอ้คนคนนั้นมันชั่วยอย่างหนูว่าจริงจริงหนูเป็นคนดีเนาะหนูไม่อาคาดเขาเออดีวะไอ้นี่รับรองว่ากูเป็นคนดี อ, อหนูร้องไห้ไม่เป็นไรนะหนูนะโอ้เราอย่างเนี้ยเราชอบคนแบบเนี้ยชอบคนโอ้เราเนี้ย รับรองเรารับรองสถานภาพมิจฉาทิถีของเราว่าโอเคแล้วคุณเห็นแบบนี้ใ ช, ใช่ไหมถ้าบอกว่าไอ้นี่คิดชั่วแล้วทำไมไม่สลัดทิ้งไอ้ความคิดชั่วร้ายแบบนี้อือหือตายเลยเดีเนี้ยไม่หาว่าเราช่วยกโกรธเลยทีเนี้ยมองเห็นไหมนี่ตรงนี้แหละเราเป็นคนที่สลัดความเห็นได้ยากความเห็นผิดได้ยากยึดถือความเห็น กอดรัดปัดเวี่ยงความเห็นพนาวพนนความเห็นจมอย <um ู่ก <|so|> ับความเห็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะรู้ความจริงเี้มันไม่เห็นความจริงแล้วแต่แบบเนี้ยมันก็กอดรัดปัดเวี่ยงกับความเห็นอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอุณาักนะแล้วในชีวิตของความเป็นจริงมันจะไม่เห็นความจริงได้อยู่กับความเห็นจมอยู่กับความเห็นอยู่อย่างนั้นเลยแล้วผมเห็นว่าผมเห็นว่าอยู่นั่นแหละตอนนี้แล้วความจริงไงก็มันเป็นอย่างนั้น ความจริงคือคนนั้นทำผิดก็มันผิดทีนี้เวลาเขาทำไม่ดีกับเราครั้งสองครั้งก็ต้องรู้ว่าเขาทำแค่นั้น <c oughs> ความจริงเขาไปทำดีคนอื่นอีกทั้งเยอะบางทีเรามองอะไรไม่ตลอดสายเรามองเห็นเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นของชีวิตเขาเรามาตัดสินใจเป็นร้อยได้งไงใช่ไหมล่ะเว้นแต่ว่าเราเราไปเห็นทั้งหมด ไปเห็นความจริงทั้งหมดแค่ไหนมันถ้าบอกสาคัญตรงนี้บางทีเนี่ยเรารู้ความจริงเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มายึดบวกผนวกกับความเห็นกลายเป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาีแต่นี้แหละไอเนี้ยปัญหาตามมาเยอะเลยเหมือนเราไปเที่ยวเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนไอคนนี้ใช้ไม่ได้เงี้ยมันต้องบอกว่ามุมไหนเรื่องอะไร พฤติกรรมไหนที่มันใช้ไม่ได้ไอพฤติกรรมที่เขาใช้ได้มันมีอยู่ไอพฤติกรรมที่มันใช้ไม่ได้มันไปผิดกฎเกณฑ์กติกาสังคมที่เขาตั้งกฎเกณฑ์กติกาใหม่ถ้ามันผิดมันก็ถูกกฎเกณฑ์กติกาของสังคมดำเนินการกันไปก็ว่ากันไปแต่อย่าไปเหมาว่าทุกวันนี้บางคนเนี่ยมันไปทําผิดกฎหมายแต่ว่ามันทาผิดแบบมันมันทาผิดเพียงครั้งเดียว ไอ้นี่ก็ไปเหมาว่าไอ้นี่ชั่วไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเี่มันกลายเป็นมั้งเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยมันกลายเป็นว่ามันยากตรงที่เราไม่สามารถพัฒนาไอ้ตัวปัญญาเนี่ยที่ไปรู้ความจริงของชีวิตโดยการตัดสินแบบผิวๆหรือแบบไม่ได้เจาะทะลุดรลงไปเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วเราก็จะยึดความเห็นยึดความเห็นแล้วก็เอาความเห็นนี่มาบอก เพื่อให้คนอื่นรับรองความเห็นเราโู้ยเยอะไปไหมเนี่ยเข้าใจนะครับแสดงว่าต้องใช้ปัญญาไปดูจิตเราว่าเป็นอกุศลไม่เป็นอกุศลแล้วก็คอยทำจิตให้มันเป็นอกุศลให้มากให้รู้ทางจิตนะครับจากบางทีเราเห็นรูปปุ๊บแล้วคือประเด็นอย่างอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นลายย่อยแต่ความตั้งใจเนี่ยสำคัญ ตั้งใจว่าเราจะดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีก่อนนี่ตรงนี้ก่อนการที่จะไปเก็บรายละเอียดรายย่อยเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเนี่ยแปลว่าต้องตั้งใจดีก่อนให้เจตนาดีไอส่วนการไปแยกแยะรายละเอียดนั่นเป็นเรื่องของปัญญาไปจัดการแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ฉะนนต้องตั้งเจตนาว่า เราจะดำเนินไปในสิ่งที่ดีงามเราจะไม่ให้บาปอากุกณลัมษาช่วรทุ่อะไรทั้งหลายไหลเข้าสู่จิตเนี่ยเราตั้งจิตอย่างนี้บ่อยๆชื่อว่าปฏิบัติแล้วเบื้องต้นขอให้เราตั้งอย่างนี้อันนี้ถือว่าเราเจตนาที่ดีอย่างเงี้ยมันจะมีพลังเราจะตั้งเจตนาในการ ให้ศรัทธาเกิดขึ้นเราจะตั้งเจตนาให้สติทํางานเราตั้งเจตนาให้ความตั้งมั่นอย่งจิตเกิดขึ้นเราจะตั้งเจตนาให้เกิดความกล้าๆอาหานเราตั้งเจตนาเพื่อให้ปัญญาเข้ามาทำจิตตั้งเจตนาอย่างนี้บ่อยๆๆๆแล้วก็เรียนรู้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งเจตนาถึงมันจะมีพลังเ น, เนี่ยเนีตรงนี้สําคัญกว่าพอพอเราตั้งเจตนาไว้อย่างดีอย่างแข็งแรงปุ๊บพอไปเจอสถานการณ์มันจะทัน มันจะแก้ไขทันสนานการณ์นั้นเหมือนตั้งเจตนาะวันนี้ฉันจะขับรถให้ดีไปถึงจุดหมายปลายทางจะไม่ประมาทถ้ามันทําไมตั้งพอตั้งอย่างนี้ปุ๊บมีพลังไหมโอ้มีพลังเลยในขณะขับรถอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเดี๋ยวคอยไปสังเกตเอาไอ้ น, นี้ไม่มีพลังให้ตั้งเจจํานงให้ดีไว้ไอ้ตรงนี้สําคัญมาก ให้ความตั้งใจตั้งเจตนามีความเชื่อมั่นว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเราจะพัฒนาตัวเองทุกวันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะไม่กลัวต่อปัญหาและอุปสรรคการเตรียมตัวเองให้พร้อมแบบนี้เป็นการตั้งหลักดีให้ตั้งหลักแบบนี้อย่างเงี้ยสาคัญกว่าสําคัญกว่าการเก็บรายละเอียดทีนี้พอตั้งอย่างนี้แล้วพอเก็บรายละเอียดมันจะมีตัวเจตนาที่เคยตั้งไว้มากระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตืตอเพราะโอเคไหม